ท่านพระเทรานุเทระผู้บริหารคณอาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิต ท, ทุกระดับของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาทัยซึ่งมีท่านพระครูโสผลพุทธิศาสตร์คณะบดีคณะครุศาสตร์เป็นต้นเป็นประธาน ขอเจริญพรท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์และญาติโยมสาธุชนผู้มีเกียรติทุกท่านขออนุโมทนาทุกรูปทุกคนที่ได้มาร่วมในกิจกรรมการ เฉลิมฉลอง57ปีคณะครุศาสตร์และก็ทางคณะก็ถือโอกาสเหมือนกับเป็นการยกย่องคนดีศีครุศาสตร์เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้กลับมาเยือนสู่เย่าในบรรยากาศปัจจุบันของคณะในวันนี้ หลังจากที่ได้แยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ในที่ต่างๆและยังเป็นทิฏฐานุคติเป็นแบบอย่างให้นิสิตรุ่นปัจจุบันอีกด้วยก็ขอโนโมทนาทุกท่านได้ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมนี้เนื่องจากว่า วันนี้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลายอย่างก็ทำให้นึกย้อนหลังไปว่าคณะครุศาสตร์ก็ดีมหาวิทยาลัยของเราโดยรวมก็ดีซึ่งมีอายุในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้นมีอายุมาถึงร้อยสสิบร้ยร้อยสาปีคณะครุศาสตร์ห้าสิบเจ็ดปีก็คือ เราล้มลุกคลุกคลานผ่านร้อนผ่านหนาวเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตและก็ยืนหยัดมาจนถึงวันนี้ก็นับว่ามีประสบการณ์ที่กล้าแข็งถ้าเป็นคณะครุศาสตร์ถ้าเป็นต้นไม้ก็ไม่ใช่ต้นไม้ที่โตเร็ว เพราะว่าค่อยๆโตต้นไม้ที่เร็วมักจะฟ้ามข้างในคือข้างในมันยุย่ยมันมีแต่น้ำไม่ค่อยมีแก่นไม่ค่อยมีสาระแล้วโดนพายุมันจะโค่นเร็วแต่ต้นไม้ที่โอผ่านร้อนผ่านหนาวเนี่ยมันจะสร้างวงปีของมัน ถ้าเราตัดไม้สักรหรือท่อนซุงเนี่ยตัดครึ่งเนี่ยเราจะเห็นว ง, งอยู่ข้างในอ่ะซ้อนซ้อนซ้อนกันจากแกนกลางสุดจนขยายออกมายิ่งต้นใหญ่มากก็จะมีวงมากภ า, ากษาพฤกษศาสตร์เขาเรียกวงปีเส้นวงเนี่ยบอกอายุของต้นไม้ พอถึงหน้าร้อนเนี่ยหน้าฝนนี่มันจะโตเวลาปลูกขึ้นมาพอหน้าร้อนมันจะสร้างเกาะหุ้มตัวมันเองเป็นไ อ, ไอสิ่งที่ทานความร้อนความอะไรต่างๆเนี่ยพอผ่านไปมันก็ามาหุ้มอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆกลายเป็นวงปีเป็นแก่นของต้นไม้ ตอนนี้คณะคารุศาสตร์มีห้าสิบเจ็ดวงนลเข้มแข็งนะพวกเรานี่ร่วมกันรวมเป็นต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นโอกาสที่จะได้มาเหลียวหลังและก็แหล่หน้าเหลียวหลังคือมองความสำเร็จความล้มเหลวในอดีตถอดรหัสมาเป็นบทเรียน เพื่อแลไปข้างหน้าที่จะทำต่อไปพวกเราที่ไม่ได้เป็นสมาชิกโดยตรงแต่ไปทำงานอยู่ที่อื่นก็จะได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าเรียนรู้จากเขาเพื่อเราเอาไปทำคนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองแล้วไม่ทำ แต่คนฉลาดกว่าไม่รอให้ผิดพลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นแล้วตัวเราไม่ทำเป็นการป้องกันฉะนั้นความรู้ทุกอย่างทั้งเรื่องเขาเรื่องเรามันเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นขอแต่เพียงให้เราถอดรหัส พอสาระออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตและมีหารกิจการขององค์กรของเราวัดของเราวันนี้จะพูดเรื่องทิศทางของคณะคารุศาสตร์มหาจุฬาในยุคดิจิตอลดิจิตอลเป็นยุคร่วมสมัยที่เราอยู่ซึ่งเราเรียกว่าอินโฟมิชันเอช ยุคสังคมข่าวสารข้อมูลข่าวสารส่วนคำว่าดิจิตอลเนี่ยในสังคมไทยเรามีกระทรวงที่ทำหน้าที่ไอทีเป็นทางการในปี2545 16ปีมาแล้วชื่อว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and c o m m u n i ิ a t i เคชไอทีก็เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารแล้วก็พัฒนามาเป็นกระทรวงดิจิทัลหรือยุคดิจิทัลเนี่ยเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าสองปีเองชื่อว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำอะไรมีใครรู้บ้างเพราะมันใหม่ดีไม่ดีก็เอ๊ะมันทำอะไรใครเป็นรัฐมนตรี Ministry of Digital Economy and Society ก็ดิจิทัลตรงตร ง, ตรงเลยตามหัวข้อเนี่ยเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ถ้ายุคดิจิทัลก็ยุคกระทรวงนี่แหละสองปีที่เราเอามาใช้เป็นทางการแล้วก็บัญญัติสับแต่เขาเขียนว่าดิจิทัลนะ เราก็มาใช้ภาษาพูดดิจิทัลเขียนเขียนให้มันถูกบางเออเขาตั้งว่าดิจิทัลกับพูดดิจิทัลเดี๋ยวาว่าพูดคนละเรื่องแต่สับบัญญัติชื่อกะทสวงเนี่ยเขาดิจิทัลนะฮทีนี้เมื่อมาเป็นยุคนี้เนี่ยเวลาจำกัดก็จะพูดรวบรัดเลยละ่ะถือว่าเรามาอยู่ในยุคร่วมสมัยยุคร่วมสมัยดิจิทัลเนี่ยมันจะมีลักษณะสามประการหนึ่งความรวดเร็วของการ แค่ข้อมูลข่าวสารเกิดอะไรขึ้นในมุมโลกตรงไหนอย่างไรรู้หมดขนาดเรียวไทยเลยนะไอหมูป่ามันออกมาเนี่ยจากถ้ำมวานเนี่ยสี่ตัวรู้หมดรวดเร็วมากบางคนเขาไม่ให้ถ่ายตรงๆไปปีนต้นไม้แอบถ่ายมาให้เราดูอีกโอ้ นี่คือสิ่งที่เราพบในยุคของเราปัจจุบันทีนี้ถ้าเราแสวงหาความรู้เนี่ยความรู้มันสามารถที่จะเข้าถึงได้รวดเร็วแห่งความรู้เนี่ยนะแล้เรายังไปมุ ง, งมังหาหลาค่อยๆหาค่อยๆเปิดยิ่งถ้าเป็นอาจารย์สอนด้วยเนาะเปิดทีละน้าละหน้ า, ล, นาลูกศิษย์เขากดแป๊บเดียวรู้หมดะ เราก็กลายเป็นพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีตันทีในยุคดิจิทัลจึงต้องรวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์สองมันไม่มีขอบเขตจำกัดการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารมันไม่ได้เลือกพรมแดนไม่ได้เลือกว่าอยู่ในถ้ำอยู่บนดอยบนอะไรต่างมันถึงหมด ไม่มีขอบเขตจำกัดและสามารถทำเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์จากข้อมูลข่าวสารที่อยู่ออนไลน์ไปเป็นสิ่งพิมพ์ไปเป็นทีวีไปเป็นอย่างอื่นแพร่กระจายไปทุกส่วนของโลกนี้และเขาก็เชื่อมโยงกันเป็น วิทยุของมหาจุฬาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะขยายครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศได้อย่างไรเขาให้ความแรงแค่นี้วัดมันก็ส่งได้ไม่กี่กิโลแต่ถ้าถ่ายทอดแต่รัฐสถานีถึงกันเนี่ยทุกวิยทยเขตเนี่ยออกอากาศพร้อมกันเนี่ยมันถึงในวิทยุพื้นที่เราเนี่ยนี่คือเน็ตเวิร์ทีวีก็เหมือนกัน แล้วถ้ายิ่งเป็นดิจิตอลทีวีด้วยไม่ใช่แค่ดาวเทียมนะเนี่ยที่มาตั้งกล้องเนี่ยไม่รู้ประเภทไหนเนี่ยดิจิตอลทีวีเข้าออนไลน์เนี่ยปุ๊บไปทั่วโลกเลยไม่ต้องไปพึ่งแค่ดาวเทียมแล้วถูกด้วยสมัยก่อนอยากจะทำทีวีอย่างเนี้ยแพงแพงแสนแพงอยากจะสอนทางไกล เทเลคอนเฟรนท์อะนะโอ้โหไปสร้างตึกอันนี้เสร็จเนี่ยพยายามจะสั้งห้องบรรยายเรียนรวมกันทั่วประเทศพอถามราคาแล้วถอยเลยเทคโนโลยีแพงมากห้องเรียนรวมที่สมมติอธิการบดีพูดตรงนี้เนี่ยสามารถถ่ายทอดไปทั่วทุกพื้นี่เลยถ้าสิบหยี่สิปีที่แล้วนี่แพงมหาศาลเลยไม่ทําตอนนี้ถูกมากแต่ก็ไม่มีใครทําเออนี่คือยุคดิจิทัลครับ เมื่อแต่ ด, ด, ดึกว่ามันจะแพงอยู่บ้งยังยังคิดว่าอยู่ในยุคนั้นอยู่นะพูดเท่าไรเท่าไหร่ก็ไม่ทำแต่แล้วก็ไม่เป็นไรให้คนอื่นทำบ้างทีนี้วันนี้มาพูดเนี่ยพูดในเชิง strategic management เขาเรียกว่าบริหารเชิงกลยุทธ์ไม่ได้พูดทั่วไปนะคำว่าบริหารเชิงกลยุทธ์หรือ ศักยภาพหมายความว่าเรามีทรัพยากรจำกัดมีคนจำกัดมีเครื่องมือจำกัดมีเงินจำกัดมีเวลาจำกัดเราต้องเลือกเป้าหมายว่าเราจะไปไหนทิศทางเนี่ยมันมีให้เดินเยอะแยะหมดาคณะครุศาสตร์เนี่ยไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ไดแต่ เราตัวแค่เนี้ยเรามีเงินแค่เนี้ยเราจะไปถึงเป้าหมายโดยมีสเบียงแค่นี้เนี่ยเราจะเลือกทางไหนบางทีเราเลือกทางที่เราอยากจะไปแต่สเบียงไม่พอเราจะดำน้ำพาหมูป่าออกมานี่มีถังออกซิเจนกีน่ถัง ทำไมไม่ออกมาพร้อมกันมันไม่มีออกซิเจนในหายใจอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกทำแค่นี้ได้สี่คนใช่ไหมนี่คือการเลือกทิศทางและเป้าหมายมันจะต้องสอดคล้องกับบริบทกับความเป็นตัวตนของเราในสิ่งที่เรามีไม่ใช่เห็นช้างขี้แล้วขี้ตามช้าง การวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์มันจึงต้องประเมินตัวเองประเมินสถานการณ์ไม่ใช่ฝันกลางวันฝันเฟื่องการทำงานบริหารเชิงกลยุทธ์คือการวางแผนเนี่ยให้ทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยการใช้แผนการอย่างพลิกแพลงนะ ตามสถานการณ์เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนอาจจะต้องปรับแผนปรับกลยุทธ์เมื่อยุคก่อนเราทำอย่างนี้ได้แต่ในยุคดิจิตอลทำไม่ได้มันจึงแต่ละยุคแต่ละสมัยมันต้องปรับมันต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และการที่เราจะปรับเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ วิเคราะห์สถานการณ์เขาเรียกที่เราเรียกว่าสวัตนาลิซิสซึ่งเราจะต้องมาดูจุดเด่นของเราตัว S อเนี่ยนะอะไรคือสิ่งที่เรามีที่เราเป็นศักยภาพของเราของคณะเป็นจุดเด่นอะไรคือจุดด้อยเป็น a k n e s s อะไรคือโอกาส opportunities ที่ส่งให้เราไปได้เร็วยิ่งขึ้น และอะไรคืออุปสรรคเวลาตั้งหัวขเนี่ยคำว่ายุคดิจิทัลเนี่ยมันคือหาโอกาสนะคือข้อสามว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยเราจะได้สิ่งอำนวยความสะดวกให้เราจา้จางการจัดการศึกษาได้ดีขึ้นดีกว่าสมัยก่อนหรือสมัยก่อนได้อย่างไรในยุคดิจิทัล เรามีสาขาอยู่คณะครุศาสตร์มีสาขาเยอะนะรองจากคณะสังคมศาสตร์เนี่ยมีจำนวนนิสิตมากเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากยุคดิจิตอลในการเรียนทางไกลเชื่อมโยงข้อมูลในการให้ความรู้ที่ดีที่สุดทั้งแก่วิทยาเขตห้องเรียนหน่วยยระการวิทยาลาัยส่งได้อย่างไรอันนี้ก็คือโอทีมันให้ แต่เราใช้หรือเปล่าเราทำหรือเปล่าและถ้าเราจะทำอย่างที่ว่าอุปสรรคมันคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงเป็นความท้าทายเรื่องแรกสุดจุดเด่นของเราของมหาจุฬาและของคณะคารุศาสตร์เมื่อเช้าเราก็เห็นแล้วบางทีมันลบไปจุดอ่อนเราด้วยสมัยก่อนมหาจุฬาเนี่ย อยู่วัดมหาธาตุในละในรุ่นที่พวกเราเรียนกันเนี่ยอันนู้นกัไอันี้อันนี้ก็บอัมีจนได้ยินว่ามหาจุฬาสร้างมาจากนัทธิปัจจัยใช่ไหมไม่มีปัจจัยสอนฟรีนะอาจารย์เป็นาารายพิเศษอนะ่ะสอนฟรีเดี๋ยวนี้มีปัจจัยแต่เบิกช้าเท่านั้นเอง ท, ที่ที่อธิการบดีได้รับการบนเนี่ยนะไม่ใช่ไม่มีเงินนะแต่ไม่รู้ทําไมมันเซ็นไม่ผ่านสักทีหนึ่งเออ มีปัจจัยนะท่านที่มาจากข้างนอกไม่ใช่ไม่ ม, มีไม่ใช่สอนฟรีมันแต่ก่อนแต่ปัญหาคนละอย่างแต่มันก็ยังแล้วก็ <c oughs> ทีนี้ไอ้คาว่าไม่มีปัจจัยเนี่ยนิสิตจะทำกิจกรรมอะไรสักทีหนึ่งไปหาอาการเนี่ยไม่มีให้จนกระทั่งหลวงพ่อนายกสาภานะทุติยสาภานายกคุณสมเด็จพุทธาจารย์อาสพภะ ท่านบอกกับพวกเราตอนนั้นผมเป็นนิสิตท่านบอกว่าปัจจัยมีเงินมันมีเหลืออยู่ไหนแล้วหลวงพ่อเงินมีแต่คนใช้เงินไม่มีท่านพูดอย่างนี้แล้วก็ไล่เรากลับบอกเงินมีแต่คนใช้เงินไม่มีใครขยายความหน่อยหลวงพ่อท่านบอกว่าเงินมันมีอยู่ในกระเป๋ายม เอามาใช้ให้ได้สิรอแต่งบประมาณเมื่อไรจะมีห้องอิหารการศึกษา เ, ออเมื่อไรจะมีห้องอะไรบ้างนะข่ายไรห้องเดี๋ยวนี้เปิดเจอถ้าเจอก็ไม่มได้มาพูดแล้นะแค่พรมน้ำมนต์ก็ตาลายแล้วโยมที่อยู่ที่นี่นี่แหละมีศรัทธาบริจาคคนละห้องสองห้องจนไม่มีที่แล้วมังนะ่ะ คณะอื่นมาเรียบเรียกขเคียงมันก็ได้น ะ, <c oughs> ะ, พะเพราะว่จราเนี่ยมีบางคณะน่มหาที่การโอ้ไม่ต้องหาแล้วไปคณะคาุนี่แหละ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เรียกกันว่าโซเชียลแคป a ตนี่คือจุดแข็งของมหาจราเราพูดกันตั้งแต่เราเราได้พบรบมาในทุ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ว่างเปล่าแปดแปดสิบสี่ไร่เลยนะ ถมไปอีกตั้งสองเมตรเอาเงินที่ไหนมาสร้างรัฐบาลก็ซีโร่กรอคือไม่ให้งบประมาณในยุคไอเมแต่อธิการบันีบอกจะสร้างให้ดูเราจะใช้โซเชียลแคปิตอลทุนทางสังคมทุนทางสังคมก็คือสิ่งที่ว่าปัจจัยมันมีอยู่ในสังคมไม่ต้องไปรอของใครมันจะมาเองเพียงแต่ว่าทำให้เป็น และในที่สุดที่ดินตรงนี้เนี่ยจากแปดสิสี่ไร่มันเป็นสามร้อยสามสิบไร่ซื้อเพิ่มโดยไม่ใช้เงินของรัฐบาลเลยอาคารหลายหลังไม่ต้องใช้เงินของรัฐเลยและไม่มีเงินทอน ด, ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ได้ศรัทธาของประชาชน เมื่อคนมีศรัทธานั่นคือที่มาของทุนและมไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้หรอกแต่ว่า น, นี่คือจุดแข็งของมหาเจลาเราจึงทํางานได้ตลอดเวลาเมื่อเรามีจุดแข็งตรงนี้จุดได้เรามีแต่อย่าไปพูดเลยและมันอยู่ในโอกาสเพราะมีมีโอกาสเราทํำยังไงเรารีบทํางานเขาเรียกว่าถ้ามีจุดแข็ง มีโอกาสเรารีบทำพายเรือเนี่ยถ้าน้ำมันไหลไปทางที่เราจะไปรีบพายเพราะโอกาสคือน้ำมันไปในทิศทางเดียวกับเราแต่ถ้ามันเกิดอุปสรรคน้ามันสูญยอดบางทีอย่าเพิ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าทำงานแบบเช้าชามเย็นชามนอนหลับทับสิทเนี่ยคือไม่รู้จักคาว่าวิะห์สถานการณ์ ช่วงไหนนอนหลับใช่ถ้าหากว่าน้ำมันเราพายเรือทวนน้ำหลีกเรียกไปก่อนก็ได้ถึงเราจะแข็งแรงพายเรือได้แต่มันน้ำมันมาสวนเรารอไปก่อนรอโอกาสเคยเห็นเหี่ยวมันมันโฉบมันบินอยู่ข้างบนไหมละ่ะเราเป็นเด็กเราจะมองขึ้นท้องฟ้ามันไปบินเล่นอะไรอยู่ท่านนะมันรอโอกาสท่านตามันมองเป็นกิโลนะ สมัยก่อนเ้าเรียกมองเป็นโยดพอมันมีกระต่ายออกมาเท่านั้นแหละมันถาลงมาอย่างรวดเร็วจับเหยื่อเอาไปไอ้ที่มันบินวนเนี่ยมันประหยัดพลังงานของมันด้วยแต่ตอ น, นลงมาอย่างเร็วใช้พลังงานอย่างเร็วนี่คือโอกาสพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงคโนโวมาอุปัจจข่ เรามักจะแปลว่าขณะอย่าล่วงเลยไปคำว่าขณะตัวนี้คือ opportunities คือโอกาสอย่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปตีเหล็กเมื่ อ, อยังร้อนโยมเขาศรัทธาเนี่ยขอได้รีบขอผมนี่เป็นเจ้าวาดยุดประยูน์นะโยมมีศรัทธาจะซ่อมสลาสิบล้านบาทเอามาให้เลยให้ผู้ บริหารด้านการซ่อมเนี่ยไปหาช่างช่างเขาจเจ้าสิบสองล้านท่านต่ออยู่นั่นแหละห้าปีท่านพอถึงเวลาได้ขึ้นมาโยมบอกเอาไปให้วัดอื่นแล้วเหลืออยู่ห้าล้านท่านดูสิเนะี่ยเป็นก็ได้แต่ บ, บนนะ่ะนี่เรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสก็ทำรีบรุก แต่ถ้ามันมีอุปสรรคหลีกเลี่ยงใหม่ๆเขาจะให้ที่มหาจุฬาสร้างใต้กรุงเทพด้วยไม่กลายวัดมหาธาตุเลยสร้างตึกสิบชั้นเลยทางวัดยกที่ให้วัดแห่งนั้นนี่มนต์อธิการาดีไปดูเลยผู้บริหารไปอ่ะทำไมใจดีแล้วเกนินให้ที่ดินในวัดในกรุงเทพนะท่านนะอ้ยทางสัญจร พอไปถึงแล้วท่านบอกว่านี่ไงที่ตรงนี้ไงทำไมอ่ะให้อ่ะไปไล่าชาวบ้านให้ด้วยชาวบ้านยึดที่หมดแล้วท่านให้มาหาจุฬาไปไล่ที่เขาอ่ะเอาเหรอไม่เอามารออยู่ตรงนี้พอเขาเอาไปสุีไร่มารีบสร้างเลยอ่ะดีกว่าด้วยอันนี้บางอย่างเราต้องหลีกเลี่ยงอย่าไปประทะแต่บางทีเราไม่พร้อมแต่โอกาสมาให้ เราต้องทำเมื่อคุณหมอรัศมีคุณหญิงสมปองบริจาคที่ดิน84ไร่เป็นโอกาสตรงนี้แต่ไม่มีงบประมาณเราลองเสี่ยงดูก่อสร้างเลยตอนประชาโฆษณาก่อสร้างใช้งบเป็นพันล้านคนก็มาเตือนบอกว่าท่านอาธิการถ้าเป็นผมผมนอนไม่หลับแล้วไปประกาศทีวีว่าจะสร้างเป็นพันล้านเนี่ย ไม่มีใครเขาสร้างกันเลยแล้วท่านมาสร้างอยู่คนเดียวได้ยังไงยุคไอเมฟอะเราก็บอกว่าดีครับหลวงพ่อไม่มีคู่แข่งครับลองเสี่ยงดูสุดท้ายมีทั้งจุดอ่อนพร้อมก็ไม่พร้อมเงินก็ไม่มแถมมีฝ่ายค้านอกีกจำวัดต่อไปครับในกรณีข้อสีเนี่ยใครจะนอนหลับไปไม่ทำอะไรผมไม่ว่า แต่ถ้ามีสามข้ออยู่เนี่ยมันมีโอกาสมันมีจุดแข็งมีอะไรต่างๆเสียดายครับเวลาและวารีมิได้มีที่คอยใครเรือมีและรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอ่ดอาดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอา น, นิจจาเราช้าเองตอนเป็นผู้ช่วยจเจ้าว่านะ่ะรีบเรียนให้จบ เป็นเจ้าว่าดแล้วจะรู้สึกงานมันเยอะรุ่นแรกนะครับปริญญาโท ร, รุ่นแรกผมนะ่ะมีเจ้าคุณมาเรียนนะตอนนั้นยังไม่รับรองด้วยซ้ําท่านเรียนห้าปีนะท่านพอเรียนห้าปีจบพอดีเจ้าภาพนะ่ะได้เป็นเจ้าวาดพระรามหลวงชั้นเอกอุเลยนะ่ะตอนนี้เป็นเจ้าคณภาพด้วยนะ ซึ่งถ้ามันไม่พอดีกันอยา่างนั้นไม่จบเห็นไหมฉะนั้นมันก็มีโอกาสนะครับทีนี้มาพูดถึงทิศทางบ้างเมื่อกี้เราพูดถึงโอกาสนะครับว่าคณะครุศาสตร์มีโอกาสมีจุดแข็งในยุคดิจิตอลอย่างไรผมอยากจะพูดถึงโอกาสของคณะครุศาสตร์แต่เราอย่ามองแคบๆที่มหาจุฬามองแล้ว เป็นพยาอินซีมันต้องบินไกลหน่อยแต่อาจจะลงไม่ได้ท่านนะั้นลงแมงตะเลิไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยโอกาสเนี่ยมันอยู่ที่คำว่า SDG เันเป็นเป็นเป้าหมายของสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติเขามีมติในปี2 0งพสอิห้าก็ตีเสนวาห้าอห้าสิบแด ว่าทั่วโลกเนี่ยมันจะพัฒนาไปในทางเดียวกันหมดไปสู่เป้าหมายเดียวกันเขาเรียกว่า goals ตัวจีตัวนี้นะ S ก็คือ sustainable development goals เขามีอยู่17ข้อท่านในส่วนของคณะครุศาสตร์ต้องดูข้อ4ข้อ4เนี่ยมันแปลมาเป็นนโยบายของรัฐบาลทั่วโลกรวมถึงรัฐบาลไทย ทีงน้นรัฐบาลไทยเราอยู่ใต้ข้อตกลงกับสหประชาชาติซึ่งเขาจะพัฒนาโลกนี้ไปในอีกสิบห้าปีข้างหน้าตั้งแต่2016ถึงสอง0ก็คือปัจจุบันนี้จนถึงสอง3ห้า้เจ็ดสิบสาตรงกับยุคไทยแลนด์4ี่จศนแล้วนี่แหละที่เราจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็นประเทศที่มีไรายได้ระดับสูง แล้วก็เรียกว่า Thailand 4.0 ศูนยเนี่ยมันช่วงเดียวกันหมดเลยประมาณสิบห้ายี่สิปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นยุคร่วมสมัยเนี่ยเราจะเรียกในศาสรชาว่า ย, ยุค s d ซึ่งถ้าท่านติดตามเรื่องนี้ในการประชุมวิสาขาบูชาโลกเนี่ยเราเพิ่งพูดกันไปสดสดร้อนประชุมใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็พูดเรื่อง s อ g นี่แหละแต่เราเรียกว่าการพัฒนามนุษย์ human development แต่ที่จริงก็มาจากเอชซีแม้แต่จัดวิสาขาบูชาโลกเราก็เอาชาวพุทธโลกมาพูดในแนวเนี้ยแล้วมหาจุฬาเนี่ยซึ่งทํางานอยู่ในกรอบของกระทรวงศึกษาเนี่ยของประเทศไทยประเทศไทยในกรอบของเอเนี่ยมันหนีไม่พ้นหลังท่านทิศทางมันไปทางเดียวกันหมดและทิศทางนี้มันเป็นโอกาสคลียนน้ํา น้ำมันไหลไปทางนี้แล้วท่านจะพายเรือไปไหนล่ะไม่ไปตามกระแสะเหนื่อยตายที่ท่านแล้วดีไม่ดีก็ไปติดเกาะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เขาไปไหนตัวไหนแล้วเอาทีนี้ข้อสี่คืออะไรข้อ4ี่ใน S d G เราไม่ต้องไปดู17บเจ็ดข้อนะข้อสคือ Quality Education, ขออ Quality Education. เขาพูดนะไม่มีเวลาแปลให้นะแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังว่ามันหมายถึงการประกันนะว่า คนทั่วโลกจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมือนกันและไม่มีการเลือกที่รักมักทีีชังแอฟริกาก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมือนกับเอเชียเหมือนอเมริกาและเท่าเทียมกันและให้เกิด life-long education น่การศึกษาตลอดชีวิตนี่ระดับโลกแล้วจะทำยังไงก็ เขาก็ประชุมกันนะเวลาเขามีมติออกมาเนี่เขาไม่ได้แค่ประกาศเฉยๆประชุมกันที่เกาหลีใต้เมือเอ่อออกสิ่งกันว่า Incheon Declaration โดยประเทศเประเทศสมาชิกสามรณชาชประชุมกั น, นั้นเรื่องการศึกษาปี2010ว่าจะบรรลุเป้าหมายอย่างไรออกมาเป็น Incheon Declaration แล้วเท่านั้นยังไม่พอครับตั้งค่างานขึ้นเรียกว่า task force แล้วร่างแผนการเรียกว่า framework for action กรอบในการปฏิบัติงานเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นเรียกว่าทิศทาง น, นั่นเขาทำไว้หมดเปิดดิกร อ, อ, อให้นิสิตช่วยกันแปลไอ้ A framework of action, for action เนี่ยมันมีหมดเลยครับเราจะไปทางไหนอย่างไรระดับรัฐบาล ระดับองค์กรแล้วเวลาท่านพูดถึงทิศทางมาอยู่ในนี้แหละของโลกเนี่ยนะแล้วใครทำครับยูเนสโกที่ปารีสยูเนสโกเนี่ยเขารวมสมาชิกร้อยสี่ประเทศนะมาทำแล้วก็ออกมาเป็นเฟรมเวิร์ for action กรอบในการปฏิบัติงานโดยประกาศใช้ในปีในวันที่สี่พฤศจิกายน 2,558 สามปีที่ผ่านใช้ไปจนถึง 2,573 ครับนี่คือทิศทางเรือทุกลำมันจะไปเส้นสายน้ำนี้แหละทั่วโลกแล้วเขาเขียนว่าอย่างไงครับเขาบอกว่าการศึกษาคือหัวใจของความสำเร็จของเอไอเป้าหมายสิบเจ็ดเป้าหมายเนี่ย ถ้าจะทำให้สำเร็จต้องพัฒนาการศึกษาของโลกเขาก็เลยจับเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่นะในสิบห้าปีข้างหน้าเนี่ยนี่คือโอกาสท่านถ้าเราจะไปแถบกับทั่วโลกเอาก็ประมาณมาเนี่ยปายมากเลยแต่ว่าต้องพูดภาษาต่างประเทศนะเออทีนี้เราก็ทีนี้มาดูเฟรมเวิร์นะครับว่ากรอบในการวางแผนเนี่ย อ, อะไรสรุปง่ายๆคือต้องการให้เด็กชายเด็กหญิงเรียนจบประถมและมัธยมอย่างมีคุณภาพทั่วโลกข้อแรกนะในแอฟริกาหรือในเอเชียที่ไหนก็ตามให้ทุกคนเลยในปี2570เนี่ยจบมัธยมเหมือนกันต้นปลายก็แล้วแต่นะมัธยมเนี่ยนี่คือข้อแรกข้อสองครับ ให้ทุกคนมีโอกาสผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะเรียนวิทยาลัยเทคนิคมหาวิทยาลัย อ, อะไรต่างวิชาวิชาชีพอะไรก็ได้ให้เรียนต่อให้ได้มากที่สุดนี่คือเป้าหมายข้อที่สองแต่เขามีเป้าหมายที่สำคัญเกี่ยวกับทีเชอร์เทรน n i ด้วยครับคณะครุาศาสตร์ตรงๆเลยเขาบอกว่า การที่จะทำให้บรรลุตรงนั้นเนี่ยต้องปฏิรูปครูเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้คำว่าปฏิรูปแต่เขาเลืกใช้พัฒนาแต่ไทยต้องปฏิรูปเช่นปฏิรูปมอสอเนยเดี๋ยวนี้เขาใช้ปฏิรูปหมดน ะ, เ, ะเราต้องปฏิรูปครูให้เป็นครูที่มีคุณภาพ q u a l ีฟา e ซิชเชอร์เนนะไม่โดยอาศัยความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศพ อ, พอ ต, รตรงนี้ครับ จะให้ครูมีคุณภาพทำอย่างไรลองลองดูวิธีทำงานของระดับโลกนะเขาไม่ได้ฝันเฟื่องนะเขาทำแผนเนีย่ยเขาเรียก policy นโยบายคือทิศทางมันมีนโยบาย teacher policy development การวางนโยบายเพื่อพัฒนาครูระดับโลกเลยซึ่งมันเอามาใช้ในประเทศไทยนี่แหละมหาจุฬาคณะครุศาสตร์นี่แหละ ถ้าเราจะพัฒนาครูในคณะครุศาตร์ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยและพัฒนาครูทับในกระทรวงศึกษาธิการจะต้องทำอะไรบ้างใน15ปีข้างหน้ายูเนสโกเขาทำแผนไว้เรียกว่า teacher policy development การพัฒนานโยบายของครูเนี่ยนะเรื่องอะไรบ้างเพื่อไปสู่เป้าหมายคือ SDG สรุปนะครับโดยทัสฟอร์สของเขาเนี่ยคณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นทิศทางเก้าเรื่องครับเราอยากจะเห็นคารุศาสตร์ในประเทศไทยศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยพัฒนาเนี่ยไปในทิศทางไหนเขาบอกเอาเก้าเรื่องพอในคณะคารุศาสตร์ด้วยหนึ่งเรื่องของ Teacher Recruitment เขาบอกว่าให้ไปปรับปรุงในเรื่องของ การบรรจุครูครูใหม่เนี่ยนะครับให้มันตรงสายตรงสาขาตรงกับความแคลแ น, นในคณะครุเนี่ยเรามีหลายเอกหลายภาคแล้วตอนนี้เนี่ยเราพูดกันว่าอย่างไงรู้ไหมเห็นบรรจุ ก, กันใหญ่เลยนะขออัตรากันใหญ่และเวลาจะสอบเข้าท่านไปเขียนยังไงรู้สอบภาษาอังกฤษด้วย สิทธิ์ของเราบัณฑิตของเราต่อไปจะจบเนี่ยต้องใช้ภาษาอังกฤษได้แต่ถามหน่อยท่านมีครูภาษาอังกฤษในคณะบ้างไมมีแต่เอกบริหารเอกนูดเอกนี่ภาษาอังกฤษสำในสำมึงแล้วมันจะจบยังไงมันเขาไม่ให้เรียนบาลีนะล้วพระคุณท่าน yes no okay หือสี่คำเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องเตรียมการคนะณะคารุเนี่ยอุตสาหสอบเข้ายังไปบอกต้องสอบภาษาอังกฤษและตอนจบจะจบยังไงเนี่ยมันมีด้านมีอย่างไร <c oughs> ถ้าไม่มีจะต้องพึ่งสถาบันภาษาอย่างไรเราจะเชื่อมกับสถาบันภาษาหรือคณะมนุษยศาสตร์เอกอังกฤษอย่างไรอันนี้ต้องวางแผนเลยครับโดยตั้งแต่เริ่บรั บ, ร, บรับครูเข้าอันนี้ก็คือดูจุดอ่อนของเรา แผนอีกเรื่องหนึ่งที่มหาวิทยาลัยในเอเชียเนี่ยสู้มหาวิทยาลัยยุโรปอเมริกาไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่เรามีคนไม่เก่งเรามีคนเก่งเยอะแต่เราไม่แลกเปลี่ยนกันใช้จบมหาวิทยาลัยไหนก็สอนอยู่แต่ในมหาวิทยาลัยนั้นเขาเรียกเอ็นบริดดิง้งปัญหาปัญหาพันธุ ก, กรรมเนี่ยนะถ้าแต่งงานกันเฉพาะภายในพี่น้องเนี่ยเป็นยังไง โอ้ยเนอะนั่นแหละคล้ายๆแถวนี้แหละผลิตเองสอนเองหรืออะไรกันเองอยู่นี่แหละต่อไปมันจะเก๋นไม่รู้สูงสักเม็รเดียวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยในอนาคตเนะแต่สมัยก่อนไม่มีปัญหาเพราะอะไรเราผลิตได้แค่ปริญญาตรีใช่ไหมทรงป ร, ริญญาโทรป ร, ริญญาเอกข้างนอกกันนี่ทั้งตรีก็ที่นี่โทก็ที่นี่ เอ ก, กที่นี่ไม่เห็ น, หนตะวันนะปิดมาเลยนะห้องเลียดนะเนอะไม่มีหน้าต่างเลยนะโอ้อะไรก็ดีหรอกมันจะขนาดนี้เฉหรูเนี่ยโอเรียกว่าอินบริทติ้งนะผสมพันธุ์กันอยู่ข้างในเนี่ยแล้วในที่สุดมันจะนั่นแหละหวังนะเรื่องรีค рут เมนต์เนี่ยนะเอาไปเรียนไม่จบที่นี่ก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าจะพัฒนาเขาส่งไปเรียนเพิ่มประการศิียบัตรอะไรก็ได้ ตอนตั้งสถาบันภาษาเนี่ยเอาปริญญาเอกมหาจุฬานี่แหละเป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษาแต่ทรงเขามีแววภาษาอังกฤษใช่ไหมทรงที่ลอนดอนหนึ่งปียอมเสียสตังเพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วกลับมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษาแล้วก็ตอนนี้ให้ไปทำวิทยานาชาตนินี่คือเราต้องวางแผนจะทาอะไรก็ตามนี่เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองตรงกับของเรา ก็คือการจัดการสึ่งการพัฒนาครูแต่การพัฒนาครูของเขาเนี่ยเขามีตั้งแต่ pre service ก่อนไปสอนตั้งแต่ในหลักสูตรของเราที่ครูสบามาดูขณะทีเ่เขาเรียกว่าฝึกงานเขาเราก็ต้องต้องเทรนเขานะประถมนิเทศอะไรต่างๆหกเดือนเนี่ยที่จริงหกเดือนเนี่ยเป็นโอกาสไอ้ทดลองงานเนี่ยให้เขาเรียนวิธีสอนหลายๆแบบให้เขาดูวิธีเก่ง ส่งไปดูงานที่ไหนก็ได้มันเป็นช่วงที่เราบังคับเขาอย่าให้มาเดินลอยชายไปมาแล้วก็ผ่านตอนนั้นเนี่ยในไหน6กเดือนเนี่ยเขาว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยส่งไปฝึกไปอบรมไปต่างมีก็ประมาณให้แล้วจะทำงานให้เราได้อย่างดีไม่ใช่ว่ามาม า, มาดูกันอยู่เนี้ยถืออะไรเซ็นชื่อไปหาทธิการบ้่งนู่นบ้างหกเดือนผ่านไปไม่ได้อะไรเลย เรามีระบบอย่างดีนะหเดือนฝึกงานเนี่ยนั่นแหละเทรนเขาด้วยดูงานด้วยแล้วไม่ใช่เฉพาะคณะคารุนะทั้งหมดเลยนะฝ่ายกองกลางเนี่ยบุคลากรเนี่ยทำเลยท่านหกเดือนเนี่ยอย่ามาเออหระเ้ลยลอยชายอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อินเซอร์วิสขณะที่กำลังสอนอยู่เขามีความรู้ใหม่เทคนิคการสอนใหม่มีเรื่องอะไรใหม่ใหม่ มีวิทยากรมาให้ความรู้มาสัมมนาพาไปดูงานไม่ใช่ทัวร์ต่างประเทศอย่างเดียวไปต่อดีกว่าข้อ <c oughs> <c oughs> สาอเนข้อ deployment เขาในระดับประเทศเขาหมายถึงจุดไอจุดแข็งจุดอ่อนของแต่โรงเรียนไม่เหมือนกันโรงเรียนนี้มีครูสาขานี้แต่ขาสาขานั้น โรงเรียนนั้นขาสาขานี้ทําน้องเดียวกันครับในมหาจุฬาในวิทยเขตเนี่ยเรามีครูครูเก่งๆเนี่ยไม่ไม่ตรงกันหรอกถ้าเราสามารถโยกย้ายเปลี่ยนทายหรือใช้ดิจิตอลเนี่ยนะครับให้ท่านสอนบันทึกแล้วก็เอามาเป็นวิดีโอออนดีมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะให้เราได้คนเก่งๆถ้างบประมาณไม่พอ มีอาจารย์พิเศษมีแมวมองเอาคนที่เชี่ยวชาญซึ่งเขามีศรัทธามีทุนทางสังคมอยากจะช่วยเราอยู่แล้วเนี่ยเอามาสอนไอ้ตรงนี้เรามีจุดเด่นมหาจรามีจุดเด่นศรัทธาของครูบาอาจารย์มีมาติดต่อที่การบัีบ่อยนะอยากจยเข้าสอนแต่ว่าสัมปทานไม่ว่างมันมีค่าตอบแทนบ้างมีอะไรบ้างสอนฟรียังไม่เอาเลยท่านคนเ ก, เก่งเนี่ย กเกียแล้วเนี่ยเอามาสิ deployment ก็คือระดมกำลังให้มันสอนคล้องอย่างภ า, ารรษาอังกฤษไดนะ้เราเรามีจุดอ่อนตรงนี้เอาคนเก่ ง, กงๆซึ่งเขามีศรัทธาเยอะแยะหมดเลยสมัยก่อนทำไมได้อาจารย์ดีๆเนี่ยเป็นปูชนียบุคคลอาจารย์จำลองทำลูก ป, ปั้นเนี่ยนะเพราะว่าคนศรัทธามันเยอะสมัยโน้นแต่ไม่ใช่สมัยนี้ไม่มีศรัทธาแต่ไม่มีทางเข้ามานึกถึงท่านเหล่านี้ deployment ข้อสี่ครับ c h e e r p a t h เข้ามาแล้วเรามีสองสายมหาจุฬาเนี่ยโอกาสเติบโตในคณะครุศาสตร์มันมีสายบริหารสายวิชาการใช่ไหมครับแล้วเราก็แม้กระทั่งสายผู้ปฏิบัติการสนับสรุนเนี่ยเราทำไม่หมดเลยจะไปถึงขั้นไหนเรื่องอะไรต่างเนี่ยสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยสายวิชาการเนี่ยเริ่มตื่นตัวหมายว่าขอตำแหน่งทางวิชาการผศรศเยอะเลย เดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนไม่ได้นะไม่ค่ยมีนะมีแต่คารวะขอพระไม่ขอเพราะมุ่งพระครูเจ้าคุณเออพส อ, อสรอสมันไม่เท่แต่เดี๋ยวนี้มันมีกฎข้อบังคับว่าจะเป็นพระครูเจ้าคุณในโคต้ามาหาจุฬ า, านี่มีสายพส อ, อสรสด้วยนะ่าได้พิเศษเลยนะเป็นเจ้าคุณเนี่ยโอ้โหเพิ่มเลยนะ นี่แคลเรียพา t ์ท่านก็ให้ศึกษาเพิ่มเติมมาไว้แล้วก็ตำแหน่งทางวิชาการเดือนพฤจิกานะระเบียบใหม่จะออกใช้บังคับกฎใหม่ข้อบังคับใหม่เรื่องขอตำแหน่งทางวิชาการมันจะมีคุณสมบัติใหม่อายุการทำงานใหม่อะไรใหม่เป็นยังไงคอยติดตามใครที่คิดว่าเกณฑ์ใหม่นะ มันจะทำให้ขอยากสำหรับท่านเพราะมีเอกสารการสอนมีอะไรต่างรีบเสนอซะเพราะเดือนแล้วเนี่ยมันคนละแบบเลยการประเมินก็คนละอย่างแจ้งกันไปนะตอนนี้เรายังจะยกร่างพิจารณาข้อบังคับอันนี้ไปจนถึงเดือนตุลานะพฤจิกาเขาประกาศใช้ยังมีเวลาข้อห้าครับเขาเรียกอยากจะพูดถึง working conditions มากกว่า คือสภาพของการเรียนการสอนบรรยากาศนี่ตรงนี้เป็นจุดแข็งของเราเรามีอาคารสถานที่เป็นค า, าเรียกคอนดิชันเงื่อนไขในการเรียนห้องบรรยายอะไรต่างทำซะอย่างดีเลยนะวันนี้ก็เห็นใช่ไหมอันนี้คือ working condition ที่ที่คณะครุศาสตร์เนี่ยอาจจะนำหน้าคณะอื่นนะใช้ให้คุ้มด้วยนะก็คือนี่คือจุดแข็ง เราเราใช้ตรงนี้ทําให้คนอยากมาเรียนแล้วก็เป็นสภาพอักมาสอนด้วยข้อหครับเรามีรางวัลวันนี้เราก็แจกรางวัลเรามีค่าตอบแทนเรามีการยกย่องเรามีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสวัสดิการซึ่งก็จะทําให้เกิดดึงเอาสมองเก่งๆไว้กับเรามาสอนและอยากจะอยู่กับเราทั้งอาจารย์ประจํา ท่างอาจารย์พิเศษตอนนี้เขาให้อาจารย์พิเศษเไม่ใช่สิอาจารย์ที่อยู่ตามวิยาเขตวิลาลซึ่งอายุเลยเกษียณแล้วเนี่ยแต่ถ้ามีเลขประจำนะขอตำแหน่งผศล ส, ออสอได้ตรงนี้จะดีนะเมื่อมีคนทำเรื่องขอแล้วอายุเจ็ดสิบก็มีจะแก่แปดสิบแล้วขอผศล ส, ออสอไม่ใช่พิเศษนะท่านอาจารย์เนี่ยมหาจุฬาเปิดโอกาสอันนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามา ข้อเจ็ดอันนี้คุรุสภาเขาคุมเมืองไทยนี่ผ่านรุฐสภาหมดม่ตรฐานครูเพราะฉะนั้นเราต้องเอื้อกับคุรุสภาข้อ8ดครับความรับผิดชอบวิญญาณจิตวิญญาณครูเนี่ยตอนที่สมัยก่อนทำไมมีเราเราไหว้ครูแล้วไหว้ด้วยจิตใจครูเป็นปูชนียบุคคล ครูไม่ใช่เหลือจ้างอย่างปัจจุบันเน่สมัยน้น่ะเขาอยากให้สภาพอย่างนี้กลับมาเขาจึงมาทำข้อแดคือครูต้องรับผิดชอบต่อสิทธิ์และมหาวิทยาลัยคณะคาุศาสตร์รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อสถานภาพของครูรับผิดชอบกันเป็นขัข้นเราจะไปเรียกร้องให้ครูเนี่ยรับผิดชอบต่อสิทธิ์ ในขณะที่มหาวิทยาลัยคณะไม่ดูแลครูไม่ได้อันนี้เราจะต้องพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศถ้านิสิตดือ้อไม่เข้าเรียนเกกะเกเรไม่ใช่ให้ครูอย่างเดียวมันจะต้องฝ่ายปกครองฝ่ายกิจการนิสิตเรื่อง ต, งต่างต้องมาเชื่อมถ้าฝ่ายครูเขาอยากจะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะต้องอำนวยความสะดวกอาจจะต้องมีงบประมาณให้บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาเรียกข้อแ ก็คื อ, อ, อจะให้ครูรับผิดชอบฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการต้องรับผิดชอบครูครูบาจารย์เราด้วยต้องมีการแนะแนวต้องมีการฝึกอบรมและข้อ9ครับตัว School Governance หรือ Faculty ต้เนี่ยต้องเป็นธรรมมาพิบาล Good g o v e r น a n c e บริหารจัดการได้เป็นธรรมมาพิบาลมันจะดูแลให้คณะครุศาสตร์เนี่ยเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ ในเวลาจำกัดไม่พูดแค่นี้ขอไปเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือโอกาสในคอมพิวเตอร์เนี่ยทำให้เกิดความสำเร็จอย่างหนึ่งในคณะคารุศาสตร์ที่รอมาเกิน5ปีนะตั้งแต่ที่การบดีบนบ้างอะไรบ้างว่าให้เปิดเรื่องคอมพิวเตอร์เอกคอมพิวเตอร์ในมหาจุฬาปีนี้ปี61เนี่ยแหละเปิดเรียบร้อยแล้วเริ่มปีนี้ และนี่คือยุคดิจิตอลของคณะครุศาสตร์จริงๆเพราะเป็นปีแรกที่สภาหมหาวิทยาลัยผ่านหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ f ิน m a t i o n t เทค n นโลย y สอนในคณะครุศาสตร์ที่นี่ที่เดียวนะตอนแรกเนี่ยเราจะใช้ชื่อคบอใช่ไหมเขาไม่ยอมสภาไม่ยอมคุศาสตร์บัณฑิตครุศาสตร์บัณฑิตต้อง5ปีนะ แต่นี่มันหลักสูตร4ปีก็เลยเรียกพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศใช่ไหมเมื่อกี้มีการจริงๆชื่อมีการสอนด้วยอ๋อแต่เวลาลงเว็บเลยนะไม่มีอย่ามาโทษอธิการนะโอ้โฆษณายอย่างนี้ฝ่ายเทคโนโปยีปโฆษณาไม่มีคําว่าการสอนอินฟอร์เมชั่นการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรก็ถามเนี่ยหลักสูตร4ปี เปิดเป็นครั้งแรกนี่คือเส้นแบ่งระหว่างยุคก่อนกับยุคดิจิตอลของคณะครุศาสตร์ที่ว่าเคยพูดมานี่ก็คือเคยบอกฝ่ายมหาจุลาว่าให้เปิดวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปเรียนตามหลักสูตรอะไรเรียบร้อยไม่ผ่านเพราะว่ามันเป็นสายวิทยศาศาสตร์เราไม่มีอาจารย์ประจำสาขาขาดแคลนนี่คือจุดอ่อนเรา ก็เลยทิ้งช่วงมาหลายปีนะห้าหกปีจนกระทั่งมาตั้งหลักได้เลยมาเปิดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศอิน r m ม t ชันแม้จะเป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีแต่อยากให้สอนไปถึงขั้นเขียนโปรแกรมได้เขียนโปรแกรมได้ด้วยอย่าเอาแค่ออปพลายประยุกต์อย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะเปิดโดยตรงได้คนเนี่ยมาพูด าการิกามาดีหลายปีแล้วถึงได้เกิดบอกท่านอนทการคอมพิวเตอร์เนี่ยนะมันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มันมีแค่สองหลักเท่านั้นเลขหนึ่งกับเลขศูนย์คอมพิวเตอร์นะเลขหนึ่งเลขศูนย์น้คณิตศาสตร์เนี่ยรู้ไหมที่คิดเลขศูนย์คือใครในโลกนี้เนี่ยแต่ก่อนไม่มีมเลขศูนย์นะ ไปดูคำว่าสิบในในอักษรเลขเรมันเนี่ยเป็นตัวเอเลขศูนย์มีไหมไม่มีเก้าก็เอาหนึ่งบวกสิบเอ็ดก็เอบวกไอไม่มีศูนย์เขาใช้กันมาโลมันไปอย่างนี้คนที่คิดเลขศูนย์ขึ้นมาเนี่ยคือคนอินเดียชื่อจานักกยะคนอินเดียจึงเก่งคอมพิวเตอร์ บิ g เก e s บินมาจากซิลิคอนวอเลย์เนี่ยข้ามประเทศไทยไปนะไปที่อินเดียคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้พัฒนาอินเดียไปถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารเลยเศรษฐกิจยกระดับมากเพราะอะไรเพราะคนอินเดี ย, ยเนี่ยชอบนั่งกรรมฐานนสมาธิอยู่เหมือนกับทมสมาธิทีนี้มันก็จะมี สมาธิแบบใหม่เขาเรียกว่า iPad meditation iPhone meditation นะคอมพิวเตอร์ meditation นั่งจ้องอยู่อย่างเงี้ยมันก็สมาธิเนี่ยเอามาใช้พัฒนาคอมพิวเตอร์ในไอเดียเนี่ยรุดหน้าหมดหลวงพี่ก็เห็นจะนั่ง meditate อยู่อย่างเงี้ยเอามาใช้สร้างสรรค์พัฒนา ลูกศิษย์พระก็เหมือนกันก็เลยไปบอกพวกเราทำวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่สำเร็จแต่มาสำเร็จอาปีนี้นะยุคดิจิตอลเป็นโอกาสเพราะตอนนี้เทคโนโลยีมันราคาถูกคอมพิวเตอร์ก็ถูกออนไลน์ก็ถูกรีสไลน์ก็ถูกทุกอย่างถูกหมดเหลือแต่ความเพียรพยายามของมนุษย์ดูว่าคณะครุศาสตร์จะ พาไปทางไหนน่จะไปรอดหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่คณะครุศาสตร์จะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและก็ตื่นตัวไว้ใครเปิดหน้าหนังสือวันนี้เนี่ยท่านจะเห็นเลยแถวแรกเนี่ยปฏิบัติการช่วยชีวิต13หมูป่าเนี่ยคนตั้งคำถามว่าทำไมมันจึงจะต้องเป็น เขาเรียกว่าเป็นเอเจนด้าระดับโลกเลยเด็กา3คนทำไมจะต้องระดมทรัพยากรทั้งในประเทศต่างประเทศทุกอย่างมารวมอยู่ที่นั่นทำไมมันจะมาจากหลายเหตุนะต่างประเทศเขาอาจจะรักเด็กหรืออะไรต่างแต่ประเทศมันเกิดไม่ใช่ โดยบังเอิญท่านสังเกตไหมวันที่เราเจริญพุทธมนต์ที่หน้าพระราชวังดุสิตตรงนั้นเนี่ยที่นิมนต์พระเทระทั่วประเทศมาเสจพระสังฆราชนำเจริญบทกรณีสามจบเพื่อเด็กเหล่านี้และต่อมาก็มีเหมือนอำนวยพรจากพระองค์พระสังฆราชนำก่อน ทำใหม่แล้วยังสถาบันอีกเข้ามาเพราะนี่คือเรื่องจิตอาสาท่านมันเป็นเรื่องของสมัยนี้เป็นจิตอาสาและจิตอาสาเดี๋ยวนี้ได้ยกระดับเป็นระดับโลกไปแล้วท่านนี่คือยุคสมัยมันไม่ได้เกิดโดย ที่เราจะเข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นมันเป็นเทรนด์เราจะต้องปรับกลยุทธ์ของคณะครุศาสตร์ซึ่งมันเป็นงานจิตอาสาอยู่แล้วการไปสอนฝึกสอนต้องสอนด้วยจิตอาสา <c oughs> การไปปฏิบัติงานหนึ่งปีปฏิบัตสิสารนกิจต้องเป็นเรื่องจิตอาสา แล้วเอาสปริทของจิตอาสาใส่เข้าไปแล้วจะทำงานง่ายขึ้นแล้วเอาเรื่องมาพูดกันให้มากขึ้นและมันจะทำให้เชื่อมโยงระบบโลกอย่างที่ทำเรื่องหมูป่านี่แหละมหาจุฬาต้องไวต่อสิ่งเหล่านี้ในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษาจิตอาสาคืออะไร ความสมัครใจทํางานเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอืนน่นใดเราทําเพื่อประโยชน์สุขของเด็กสิบสามคนถามว่าฝรั่งอังกฤษที่มาพบเด็กเขาหวังอะไรบ้างไม่มีเป็นเงินเป็นทองไม่มีคนดําน้ำสิบห้าคมจากโลกเนี่ยเขาหวังอะไรบ้างแม้แต่ชื่อเสียงเขายังไม่ต้องการเลยเขาไม่ประกาศเลยนะสมาคมเขาอะตอนที่เราไปรู้ว่าฝรั่งสองคนเนี่ย สังกัดที่ไหนในะอังกฤษสมาคมใดสมาคมบอกว่าเราไม่มีนโยบายให้ชื่อ B B C เอาไปลงตั้งหดถ้าไม่งั้นเนี่ยทางสมาคมเขาไม่บอกเลยเขาถือว่าไม่หวังผลตอบแทนแม้แต่ชื่อเสียงและไม่ใช่ถูกบังคับไม่ได้ถูกเกณฑ์เราอยากจะเห็นปฏิบาาัติศารสนกิจของนิสิตหนึ่งปีเนี่ยทำด้วยความจิตอาสาไม่ใช่ถูกเกณฑ์ และเมื่อขึ้นดอยนะปีละสี่สิบรูปทุกปีไปด้วยจิตอาสาซึ่งไม่มีจิตสาสไม่ไปหรอกท่านเหล่านั้นเนี่ยที่อยู่บนดอยเพราะมันละหมากอธิการไปตรวจเยี่ยมไปสร้างศูนย์ประสานงานพระบัณฑิตอาสาบนดอยที่วัดห้วยบงไว้หนึ่งหลังพอดกระถินส่วนตัวเนี่ยพากรถินไปทอดสามปีปีละสองล้านบาทสําเร็จอยู่บนดอยไม่มีใครรู้หรอกนี่มาพูดเพราะมันประกอบการพูด เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราก็ทำเพื่อให้ท่านพระใจสิงห์เราได้ทำงานเพราะไปเห็นแล้วประทับใจท่านแต่เสียอย่างเดียวท่านพระที่ไปปฏิบัติศาสนกิจบนดอยเนี่ยมันควรจะได้บทเรียนถอดรหัสมีอาจารย์ที่ปรึกษาไปช่วยสรุปดีๆแต่ไม่มีใครขึ้นใบท่านในฝ่ายพวกเราเนี่ยต่างหากที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ย ให้โอกาสล่วงเลยมาเป็นสิบสิบปีไม่มีใครไปลำบากระบนไปถอนรหัสเลยและเราพูดกับแอมกิตสิบปีเรื่องนิสิตปฏิบัติสารานกิตว่าให้ทําเป็นเบบี้ทีสิตเป็นอะไรก็ตามเนี่ยแล้วให้ได้เป็นงานเป็นงานมาด้วยเป็นงานวิจัยแต่พูดแต่ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาท่านไม่มีใครลำบากลงไปโอกาสมาถึงแล้วครับตอนนี้ ต่อไปนี้จะไม่พูดอีกแล้วนะเพราะพูดมาก็มีประโยชน์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครทําแต่ตอนนี้ไม่พูดจะทําให้พวกท่านเสียโอกาสคืออะไรรู้ไหมคือกฎใหม่ในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่จะออกมาในเดือนพฤศจิกา ย, ยนเนี่ยเขาจะบอกว่าใครจะเป็นผอสอรสท่านจะต้องทางานวิจัยหรือทำงานวิจัยสองเรื่องหรืองานวิจัยหนึ่งเรื่องแล้วงานวิชาการหนึ่งเรื่อง หรืองานวิงานบริการวิงานบริการวิชาการแก่สังคมหนึ่งเรื่องแต่ก่อนไม่มีนะงานบริการวิชาการแก่สังคมจิตอาสาโซเชียลเซอร์วิสขอผอสอรอสอไม่ได้แต่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกา ย, ยนไปเนี่ยใครพานิสิทธ์ไปพัฒนาอะไรที่ทาเป็นงานวิจัยงานสรุปมาเป็นงานวิเป็นงานขอตำแหน่งผอสอรอสอได้ต่อไปเนี้ยอธิการบดีไม่ต้องเหนื่อยแล้ว พวกท่านจะทำกันเองดูกลัวจะแย่งกันด้วยนะเพราะเขียนตำรามันอาจจะช่องไหนเนี่ยมันมีช่องมหาจุฬานเนี่ยทำบริการวิชาการแก่สังคมนี่คือออป portunity นี่คือโอกาสอย่าให้ผ่านไปโดยปล่าประโยชน์เลยอุตส่าห์ไปทำไวน้ไวนู่นไว้นี่เยอะแยะหมดบางคนแบบไม่ตรงสายใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยเราไปบริวาการวิชาการสเราอยู่าคณะครุแต่ไปทาเรื่อง สังค ม, มศาสตร์เรื่องพัฒนาเศรษฐกิจจุเขาบอกไปตรงสายขอไม่ได้แต่ตอนนี้ได้หมดเพราะมันเป็นงานบริการวิชาการแก่สังคมสอคกอให้แล้วมหาจุฬาก็ต้องทำนี่และนี่แหละก็คือคณะครุศาสตร์ต้องนําร่องเพราะไปฝึกสอนไปอะไรต่างๆสร้างสรุปแล้วครูของมหาจุฬาเนี่ยที่เราจะฝึกไปต้องมีจิตอาสาในยุคนี้นะครับ ท่านจะต้องเน้นตรงนั้นจิตอาสาเป็นยังไงหนึ่งเสนอตัวเข้าร่วมทํากิจกรรมไม่ใช่ใครบังคับต้องเสนอนะครับสองกิจกรรมเป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสังคมโดยรวมไม่ใช่เพื่อตนเองสามสมัครใจเต็มใจไม่มีใครบังคับและสี่ไม่หวังผลตอบแทนแต่ได้ผอสรสก็มันผลประโยชน์ได้ เราก็บันทึกไว้เราทำอย่างนี้ด้วยจิตอาสาสี่ข้อนะครับซึ่งสอดคล้องกับเรื่องจิตอาสาในยุคปัจจุบันและธรรมะสี่ประการครับทานปิยวาจาอัตตาจริยาสมาณะต่างธรรมะท้งนั้นท่านเราเอามาทำเรื่องจิตอาสาในยุคปัจจุบันก็จะทำให้ทิศทางในการเดินหน้าของเราเนี่ย มันง่ายขึ้นเพราะมันสอดคล้องกับยุคสมัยน้ำมันไหลไปในทางนี้เราก็พายเรือตามน้ำเพียงแต่ให้ตระหนักรู้ว่าน้ำมันไปทางไหนเท่านั้นแหละไม่ใช่มัวแต่หลับหูหลับตาพายทวนน้ำไปมันก็ทำงานลำบากครับนี่คือทิศทางแห่งคณะคารุศาสตร์ในยุคดิจิตอลที่ขอฝากไว้ตามสมควรแก่เวลาในที่สุดนี้ขออานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญโกศล ที่เราได้เราท่านทุกคนได้มาเป็นให้เป็นไปจงเป็นตะบะเดชะภาวะปัจจัยอุทิศเป็นส่วนกุศลให้บุรพาจารย์ผู้ร่วงลับได้มีส่วนแห่งบุญกุศลนี้เพื่ออนุโมทนาและ <c oughs> ประสบความสุขความเจริญในสัมปรายาพบยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบุญกุศลและบารมีธรรมของครูบาอาจารย์จงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้คณะอัฐศาสตร์ผู้บริหารครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ และผู้มาร่วมงานทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละปาฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พันสำเร็จสมมโนรสถมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการตลอดกาลละนานเทินสาธุ